วันนี้เป็นวันที่สิบสี่อาทิตย์ที่สิบสี่ธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพิเศษคือเป็นวันพระแรมแปดข่ำเดือนหนึ่งเป็นวันพระวันนี้แล้วก็พวกเราได้ร่วมกันรวมกันจธาญาติโยม ดูๆแล้วก็หนาตามากพอสมควรอันดับแรกก็คือพวกญาติของพระจารย์หน่อยห้วยซวกทำบุญอุทิศสวนกุศลให้โยมพ่อที่มาณะะไปหลายปีสองสามสี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมกันวันนี้ก็คณะศรัทธาญาติโยมกลุ่มวัดของเรา ที่เห็นว่าจะมีการต่อเติมสาลาข้างในที่เป็นคำปารพบของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นผู้ปารพบเพราะว่าหลวงพ่อไม่มีไม่มีโอกาสที่จะหนุมน้อยไปข้างหน้ามีแต่จะแก่เท่าชาลาปีนี้ก่อนเจ็ดสิบแล้วเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าอีก3 0ปีหลวงพ่อก็ถึงร้อย วันนั้นปีนี้70สถ้าหากว่าไม่ตายง่ายคิดว่าขึ้นซาลาชั้นบนไม่ไหวคงจะใช้ซาลาชั้นล่างในเมื่อซาลาชั้นล่างมันยังแคบมันเป็นหลายขั้นตอนวฉะนั้นจึงได้ปรรพกับคณะนายช่างทางนายช่างรถไฟและใกันนายช่างมาจากกรุงเทพ ก็นั่งอยู่ที่นี่แหละท่านท่านมาเมื่อวานนะีท่านก็เห็นด้วยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ centered. ขยายศาลาชั้นล่างเมื่อต่อไปหลวงพ่อก็คงจะเดินถ้าเดินไม่ไหวก็คงจะใช้รถเข็น ه, เข้ามาเหมือนกับครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่ออายุมากลรวก็ต้องเป็นอย่างนั้นทาให้ตายง่ายนะถ้าตายแล้วก็แล้วไป ทำให้ตายง่ายก็คงจะได้ใช้สาลาข้างล่างเพราะนั้นจึงได้ต่อเติมศาลาออกไปอีกแต่เขาจะทำแบบเรียบง่ายก็คงจะไม่มีอะไรมีแต่ต่อเติมปีกข้างบนแล้วก็ปูเทปูนข้างล่างเสริมออกไปเพราะนั้นเรื่องจะตกประจัยทั้งหลายท้งปวง ถ้าหาว่าหลวงพ่อบอกว่าจะไม่พูดรายการรายละเอียดให้คณะนันททายาติโยมฟังก็คงจะมีบางท่านปัจจัยคงจะขาดมากอย่งั้งหลวงพ่อก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าชั้นบนโครงเหล็กข้างบนน่คุณโยมจากกรุงเทพคุณหลีที่เป็นพัญญาของคุณชัยนสะิรวันที่สร้างอาคาร โรงเรียนต่างๆที่พวกเรารู้เห็นท่างโรงเรียนน้ำโสมโรงเรียนนางวัวเชียงคานหลายๆแห่งอันนี้แหะคือเจ้าภาพจะได้ช่วยทางโครงสั ง, งข์คาศาลาแต่ทางพื้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดพราะนั้นพวกเราคงจะได้ช่วยกันทางปูพื้น ถ้าหากว่าพวกเรามีจตุปัจจัยขึ้นมามากก็คงจะปูพื้นแบบสลาหลังนี้แหละสลาไหลใหญ่หลังนี้คงจะเป็นหินแกรนิตถ้าหากว่าจตุปัจจัยน้อยเราก็คงจะเทปูนธรรมดาถ้ามีมากขึ้นมาหน่อยก็คงจะปูกระเบื้องแต่มีจตุปัจจัยมากก็คงจะทำเป็นหินแกรนิตอย่างสลาหลังนี้อันนี้เราก็ต้องดูซะก่อน สรุปแล้วก็คือหลวงพ่อไม่ให้หนักใจทั้งด้านวัตถุมีอะไรเหมาะสมขนาดไหนเราก็ทำทำตามที่มันมีมันเกิดเพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่ให้หนักใจทั้งด้านวัตถุแต่ลังคาเออมีควรจะมีเพราะว่าถ้าฝนตกขึ้นมาพวกเราจะไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนอันนั้นต้องมีนะแต่เรื่องพื้นเนี่ยยังไงยังไง ขนาดได้ขนาดหนึ่งเราก็ทั้งยังนั่งได้เอาเสือเอาลายปูก็ได้ถ้าไม่มีเสือปูก็เนี่ยพวกเราใครอยากจะมาวัดของพ่อเอาถือผ้ามาด้วยก็ได้มาปูกับพื้นก็นั่งก็ได้เป็นลายไปนะอันนี้ก็คือจะมีการทอดผ้า ป, ป่าสามมุคีเราพร้อมกันก็มีศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ซื้อพรมถวายปูกับศาลาห ล, หลังใหญ่หลังนี้แหละที่พวกเราจะนั่ง ในเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะทดลองดูนะปูพรมดูเพราะว่าเราเทศถวายไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือการทำทานนะคณะท า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนทานศีลภาวนามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่มีแต่ศีลอย่างเดียวมีแต่ภาวนาอย่างเดียวขาดทานก็ มันขาดนะเพราะนั้นต้องทานศีลภาวนานเป็นของคู่กันเป็นของไปด้วยกันเหมือนกับสา ม, สามขายอย่างถ้าเกิดมาพบนายชาติหน้าถ้าอันนี้สงทานของเราไม่มีนะการทำมาค้าขายก่อนเนี่ยพวกยากอยากจนเพราะอะไรเพราะอันนี้สงทานของเราไม่มีแต่พวกผู้นี่มีอันนี้สงทานไปอยู่นัสถานที่ใดเป็นผู้ไม่อดไม่อยาก อนกสงสานเกือ้อกูลนุนในพระไตรปิฎกหรือในครั้งพุทธกาลในพระไตรปิฎกแล้วมีมากเลยที่ว่าคนที่ไม่มีอเ น, นิสงสานเกิดขึ้นมาแล้วยากจนแล้วก็อเ น, นิสงสินก็คุ้มครองยังไงแล้วก็อนุภาวนาคุ้มครองยังไงมันเป็นเป็นเป็นขั้นตอน อย่างอันนี้สงทานอย่างนี้ท่านก็ยกประเด็นหนึ่งนะหลวงพ่อจะยกประเด็นหนึ่งให้ฟังอย่างพระพาหิยะทารุจริยะที่ท่านได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าในกรุงสาวัตถีในกลางถนนไปฟังเทศพระองค์บอกว่าเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุให้ดูที่เหตุแล้วก็ให้ดับที่เหตุมันมีเหตุก่อนมันอยมีผล ผลให้ดูที่เหตุแก้ที่เหตุดับที่เหตุนะท่านฟังเพียงแค่นี้นะ่ะพระพาหยะได้สําเร็จเป็นพระหรหันในเมื่อสําเร็จเป็นพระหรหันแล้วพระพุทธเจ้าก็มองดูบุพกรรมคือในอดีตในชาติของพระพาหยะทั้งที่ท่านได้สาเร็จเป็นพระาราหันแล้วแต่ตามไม่จริงเมื่อท่านได้สําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าจะต้องบวชว่าเอหิพิกุปสปสัมปทานะท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรำ เรากล่าวไว้ดีแล้วเพียงเท่านี้นะ่ะผนนั้นจะเป็นภิกษุบริขารจะลองล่องลอยมาในอากาศสวมใส่แล้วก็เอามือลูบบนศรีรษะผมก็จะหลุดล่วงอันนี้คือการบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุในครั้งพุทธกาลแต่พระพาหิยะนี่พระพุทธองค์มองดูอืมพระพาหิยะไม่มีอนิสงไม่มีอนิสงในการถวายอัฏฐบริขารในอดีตชาติ มีแต่หาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแล้วก็จบถึงจะบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะถึงสอง 0,000 ื่นปีแต่ไม่เคยขนขวายช่วยเหลือหมู่พวกเพื่อนเรื่องเรื่องอัฏฐบริการก็อยู่เฉยเฉยได้มาแล้วกินไปใช้ไปเอ่อมีแต่ของตัวเองนะกินมาพอเป็นเป็นผู้มักน้อยสันโดดไม่ขนไม่ขนขวายนะพูดง่ายง่ไม่ขนขวายสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่พวกเพื่อนถึงมีเพิ่งบวชมา ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตปายอายุยืนข่าวนั้นสองหมื่นปีท่านก็ไม่เคยทำบุญเกี่ยวกับอัฏฐบริขารให้หมู่พวกเพื่อนไม่เคยสงเคราะห์พอมาบวชได้สำเร็จเป็นพระราหารแล้วพระพุทธเจ้ามองดูอดีตไม่มีไม่มีอเศสงไม่มีผลบุญพระพุทธองค์บอกว่าพาหิยะเธอจงไปสแสวงหาบริขารก่อนนะเมื่อครบแล้ว ท่านจึงบวชเธอจึงบวชนะนั่นแหละพระพายยะก็เลยออกจากพระพุทธเจ้า ท, ท่านท่านท่านเป็นพระหรหันต์นะเป็นโยมนะเป็นโยมเป็นพระหรหันต์แล้วท่านก็เดินไปจากนั้นก็กรรมเก่าของท่านคือวัวแม่ลูกอ่อนที่ท่านได้ไปจองเวรกันไว้ในอดีตจะนับก็ะิดพายยะก็เลยตายพอตายเสร็จแล้วพระพรมองเดินบิณฑบาตกลับมา เห็นแต่ภายะโยมภายยะเนอนอนตายอยู่ข้างถนนเพราะรัวขิดชาวบ้านเขาก็ลุ่มกันดูพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุนี่หาแต่แค่หามออกไปสู่วัดป่าเชตะวันพอไปถึงเนี่ยพระองค์บอกว่าพี่ชายของพวกเธอหามหามเธอหามท่าน ไปสู่วัดป่าเชตตะวันพอไปหามพระเจ้ประชุมประชุมเพลิงเสร็จแล้วบอกว่าอัธิธาตของท่านพายายโยม เ, เอาไปไว้ในทางสีแ่งไปตั้งสถูปและเจดีย์ให้คนได้กราบได้ไหว้เป็นบุญเป็นกุศลพระสงฆ์ทั้งหลายก็ ง, งงอีกเหมือนกันทำไมพระพุทธองค์จึงใส่ใจถึงขนาดนี้พระองค์บอกว่าเนี่ยพายาะได้สำเร็จเป็นพระหานแล้ว พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูนวดเขาได้สําเร็จในช่วงไหนพระเจ้าคาดพระองค์บอกว่าเขายืนอยู่ในกลางถนนเราแสดงทําให้เขาฝังเพียงสบาทพระคาถาคือสามคำความเข้าใจในสามคำพูดบอกวันนี้เรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุให้ดูที่เหตุแก้ไขที่เหตุดับที่เหตุเรื่องทั้งหลายก็ดับคือสรุปแล้วคือใจใจเป็นใหญ่ เป็นมหาเหตุให้ดูที่ใจแก้ที่ใจท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระาราหันนะพระสงฆ์ทลายก็งงอีก อ, อ๋อทำไมพูดแค่นั้นจึงได้สำเร็จพระราหันได้พระพุทธเจ้าขาะพระพุทธองค์บอกว่าคำพูดใดก็ตามที่มีสาระประโยชน์ที่ถึงใจสำหรับผู้ฟังแม้จะเป็นคำพูดเดียวก็มีสาระดีกว่าพูดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือน พูดพร่ามไปอย่างนั้นนําลาย ท, ท่วมทุ่งจะหาสาระประโยชน์ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์แต่คําใดคําพูดใดมีสาระประโยชน์เพียงเพียงคําพูดเดียวเท่านั้นแหละถึงใจสําหรับผู้ฟังนั่นแหะเกิดประโยชน์เนี่ยที่เราตรัสหรือว่าเราพูดให้กับพาหิยะในถนนนั่นะเขาเข้าใจเขาได้สําเร็จเป็นพระหรหันในขณะที่เขายืนอยู่เนี่ย แตท่ทำไมเขาจึงไม่ได้บวชพระองค์ขวาติเนี่ยอเิสงเขาไม่มีอเิสง์ในการทําทานเขาไม่มีในอดีตเขาเราจึงให้เขาแ ส, สวงหาอัถบริขารก่อนค่อยบวชแต่เขามาเจอกับบุพกรรมเก่าของเขาเขาไปทำํำกับแม่บัวตัวนี้ไว้ในอดีตแม่บัวตัวนี้ก็เลยขวิดเขาก็เลยตายถึงตายแล้วกันเนี่ยท่านได้เป็นพระอหารแล้วเป็นพี่ชายของพวกท่าน คือพระพาหิยะนี่เหมือนกับไข่เอ๋ไข่ไข่ไข่มันกระเทาะเปลือกออกแล้วแต่พวกท่านทั้งหลายยังเป็นปุตุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นพระหันอันนี้พวกท่านทั้งหลายเหมือนกับอยู่ในไข่แต่ น, นี่คือพี่ชายเขากระเทาะเปลือกไข่ออกแล้วคือพระหันเนี่ยแหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเกี่ยวกับพระพาหิยะ และเรื่องอย่างอื่นก็ยังมีอีกมากสรุปแล้วก็คือประเด็นนี่มีอยู่สองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือการสำเร็จเป็นพระหารการที่สองก็คือไม่มีอัฐบริคารการที่สามคือบุพปปกรรมเก่าของท่านพาหิยะเพราะนั้นเรามาพูดเรื่องอานิสง์แห่งการทานที่เราปรารภเบื้องแรกว่าหลวงพอ่อได้ปารภเบื้องแรกอันิสงทานในเมื่อคนไม่มีอันิสงทาน อย่างพระพายาท่านก็ไม่มีบริขารอย่างที่ว่าแต่ท่านได้สําเร็จอยู่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่บริขารของท่านไม่มีที่จะบวชเหมือนกับพระอรหันต์องค์อื่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทานเราไม่ควรจะมองข้ามทําบุญทําทานมีมากมีน้อยก็ตามอัธยาศัยตาม ที่เรามันมีอยู่แต่ควรควรจะขนขวายในการทําทานเพราะมันเป็นสเสบียงเดินทางต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าถ้าคนไม่มีอเนกสงสานแล้วไม่เคยทําบุญทําทานแล้วทำมาค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินเพราะอะไรเพราะอนกสงสานไม่ไม่เป็นพลังนะไม่มีพลังแต่ว่าคนที่อเนกสงสานมีทําอะไรก็เจริญก้าวหน้า พรายเลยมันเป็นพรังทางด้านจิตใจในคนโบราณเขาจึงพูดว่าแข่งเรือแข็งแพแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนาบารมีนะ่นแข่งกันไม่ได้เพราะมันมองไม่เห็นนอกจากพระรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านั้นเองมองว่ากรรมของแต่ละคนการกระทําของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะอเนกสงทานในอดีตชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่พระพา ย, ยิ้นพระพุทธเจ้ามอง หาต้นตอที่ว่าอันนี้สงทานเขามีไหมไม่มีในเมื่อไม่มีก็เรียกไม่ขึ้นใช่ไมเหมือเรียกไม่ขึ้นก็เอาให้ท่านไปสแสวงหาบริการตามที่ต่างๆให้ได้ซะก่อนค่อยบวชนะพาหิยะเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้สงทานไม่มีอันนี้สงศินก็คืออันนี้สงคุ้มครองเราไปนัสถานที่ใดถ้าเราเคยฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเพราะอะไร เพราะเราไม่มีศินในอดีตชาติแต่เราไม่เคยฆ่าคนอื่นเขาเขาก็ฆ่าเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยทำให้กับเขามาก่อนอาทินนาทานก็เหมือนกันเราเไปขโมยของเขาในอดีตชาติมามาเกิดมาพบนิชาตินี้ขนาดรองเท้าขาดขา ด, ขดเขาก็ยังสวมของเราไป เ, เรียกว่าสิ่งของอันไหนก็ตามเขาก็เอาของเราไป เพราะอะไรเพราะเราเคยทำกับเขาไว้ในอดีตเราไม่มีสินสามีภรรยาก็เหมือนกันสินข้อที่สามไม่เคารพซึ่งกันและกันได้ลูกหลานออกมากันนะแตกสะลุกผู้่ายไปคนละทิศทางพูดอะไรเขาไม่ไม่เข้าใจกันทั้งที่จะมีเข้าใจกันก็ไม่เข้าใจกันเพราะว่าใ น, นสงสินชาติที่แล้วเนี่ยไม่เข้าใจกันอ่ หลวงละเมิดในศินข้อที่สามข้อที่สี่พูดให้พูดจาพาทีกับใครทั้งที่พูดจริงก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีฟังใครฟังคำเป็นวาจาที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเหไรเพราะเคยโกหกต้มตุนหลอกลวงเข้ามาแล้วในอดีตชาติเนี่ยนี่แหละแล้วก็ขดสินข้อที่ห้าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเป็นคนปัญญาอ่อนจำอะไรก็ไม่ได้เพราะเหไรเพราะว่า อเนสง์น้ำเมาอเนสงสิ่งมึนเมาอเนสง์ยาเสพติดทั้งหลายทําให้สมองปั่นปวดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็พูดท่านตรัสไว้ในอเนสง์แต่ละข้อละข้อเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานเป็นเรื่องชําระจิตใจให้บริสุทธขหลุดพ้นแต่ทั้งทานก็ดีศีลก็ดีถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วก็ทานก็คือเปลือก ศีลคือกัพีสมาธิที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือแก่นแก่นของด้านจิตใจให้เข้าไวาชำระกิเลสให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะฉะนั้นพวกเราคณะทาญาติโยมได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะพวกเราก็ควรจะทําทั้งสมอย่างควรจะขนขวายทั้งสามอย่างทึ่งทั้งทานทั้งศีล ทั้งภาวนาด้วยนะทั้งสามถ้าพวกเราทำได้ทั้งสามอย่างถึงจะมากหรือน้อยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทำสาหรับส่วนตัวของเราทำแทนกันไม่ได้ในเรื่องนี้นะทำแทนกันไม่ได้ถ้าใครทำก็มีแต่อนุโมทนาฮะอนุโมทนาในการส่วนบุญกุศลจากที่ผู้ได้ทำไปแล้วนั้นก็ เหมือนกับเขาจะแบ่งให้หรือไม่แบ่งให้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เราอนุโมทนาก็เป็นบุญกุศลเขา้าใจของเราส่วนหนึ่งไม่เหมือนเราทําเองเหมือนกับเราคนอื่นทานอาหารจะแทนเราได้ไหมถ้าเขาทานเขาก็อิ่มเขาเราเขาออกกําลังกายเขาออกกําลังกายเขาก็ได้กําลังเขาเขาเรียนหนังสือเขาก็ได้เขา เขาปฏิบัติภาวนาเขาก็ได้เขานะเขาสร้างคุณงามความดีเขาก็ได้เขานะแต่เราเออไม่ได้ทําเราก็มีแต่อนุมโมทนาก็ได้ได้ส่วนหนึ่งคือจแสดงความยินดีกับเขาในเมื่อเขาทําดีเราก็ได้ส่วนส่วนหนึ่งน้อยหนึง่งเอพอออราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอันไหนก็สู้ตัวเองทําไม่ได้รถึงจะมากหรือน้อยก็ทำํทำตาม ความสามารถของเรานั่นจะเลิศประเสริฐกว่าเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตาของเราแนะนำสั่งสอนอย่างไรก็ขอให้พวกเราปฏิบัติตนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญใน สัมปรายเกิดพบหรือว่าในพบภูมิต่างๆในอนาคตนะจนถึงที่สุดนะเพราะอนกสงนะมันสืบเนื่องนะคขันะติตาญาติโยมลูกหลานแต่หลวงพ่อว่าท่านพระพายญาตนะิท่านคงจะเร่งแต่เรื่องรักษาศีลกับภาวนาแต่เรื่องทานนะท่านคงไม่สนใจนะคนบางคนมันเป็นนะบางคนก็เครื่องอยากอยากจะทานบางคนก็ไว้ผมจะช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียน เตียงวัดวาศาสนามันมากแล้วล่ะผมไม่ทำแต่บางคนก็ผมไม่ทำทางโลกผมจะทำกับพุทธศาสนาสร้างกับวัดวาศาสนาเท่านั้นมันคนมันมีหลายแนวหลายแนวทางนะแต่ทีอยังไงก็พวกเราเนี่ยได้พบพบพุทธศาสนาะทำอันไหนที่เป็นประโยชน์ทำให้ดีที่สุดนะ ไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมพระพุทธเจ้าท่านสั่งว่ า, าขย่าวยธรรมมาสร้างคาราอั ป, ปมาเดนะัมปาเดทตัตติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะเกิดแก่เจ็บตายไม่แม่น ไ, ไ, ไม่เที่ยงในระ่างกายของเราขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้ก็คือคําสั่งสอนของสั่งของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานวาจาสุดท้าย ของพระพุทธเจ้าที่ท่านเสียงสั่งเสียพระสงฆ์พุทธบริษัทของพระองค์และก็ปิดพระโอษคือปิดปากและไม่พูดเลยจบอันนี้คือวาจาถ้าพ่อแม่ของเราก็ตามถ้าสั่งคําไหนเป็นคําสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นคำนั้นเป็นคําศักดิ์สิทธิ์ในตระกูลแล้ว่าลูกลกทั้งหลายจะต้องให้ความใส่ใจสนใจในคําพูดนั้นนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสั่ง เป็นวาจาครั้งสุดท้ายว่าขยะวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายร่างกายสังขารของเราไม่เที่ยงแนะเกิดแก่เจ็บตายและก็ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือเนี่ยการทำมาหาเลี้ยงชีพในทางสุดจริตอย่าไปทุจริตอันไหนที่มันดีคิดดีทดําดีพูดดี ให้เป็นศีลเป็นธรรมประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านก็มองอย่าไปมองข้ามให้ช่วยช่วยประโยชน์คนอื่นด้วยเอออย่าไปเอาแต่กินแต่ส่วนตัวอย่างเดียวให้ช่วยคนอื่นด้วยนี่แหละท่านเรามองทั้งอย่างปฏิบัติตามทำคําสอนของ พ, พ, พ, พระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขกายสบายใจนะคะ่ะนักสัตายาโยมลูกหลานนะไปในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าปฏิบัติตาม คำคำสอนเรื่องแนวทางของพุท ธ, ธะที่ท่านได้บอกกล่าวแนะนําเอาไว้นะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะจัดพัทหาผวกเราทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการกล่าวถวายผ้าป่านะถวายผ้าป่าเพื่อร่วมกันลงขันกัน สร้างศาลาต่อเติมศาลาหลังข้างในอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่นแหละ <c oughs> แต่ไม่ให้นักใจหลวงพ่อยับอยู่เสมอพอความบางสิ่งบางอย่างบางแห่งเลี่ยไรแล้วก็เลี่ยไรกันอีกนะจนถึงผู้อยู่ใกล้ชิดก็ไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจถ้าจะให้หรือหรือไม่ให้หรื อ, ร อ, รอก็เลื่อมหน้าแต่พวกเราทําด้วยความสบายใจนะ ทำด้วยความสบายใจทำด้วยความสุขใจแต่หลวงพ่อแนะนําว่าควรจะมีท่านั้นเองถ้าเฉยเมยเกินไปอันนี้สงเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่พระพาหิยนะน่ยพวกใครๆก็ไม่พึงปราถนาทางนั้นใช่ไหมเนะพราะนั้นควรจะมีถึงจะมากเท่าน้อยก็ควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศล น, นะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพร น, นะ น, นัตติเนะ